เรื่องอบรมพระนุ่มตอนที่สอ ง, สงดโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยยนมันชิมานิกายมาจิมปนาปัญหามหลาหุโลวัตสูตรเล่มที่สิบามข้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบถ้าผมจำไม่ผิดหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบเมื่อพระพุทธเจ้าออกไปบินับ่าพระสารีพระธาลาหุ่นซึ่งเป็นลูกของพุทธเจ้า ได้เดินไปด้วยพุทธิยานก็เลยสอนลาหุนเธอจงทาจิตของเธอเหมือนกับลมเหมือนกับน้ําเหมือนกับไฟเหมือนกับดินเลดินใครจะกระทืบไปใครจะย่องไปใครจะจกราบจะไหว้ดินไม่หวาเลยลมก็ย่อมพัดทั้งของสะอาดของตกปตกน้ําก็ต้องพัดหรือคนจ่อมทิ้งทั้งของสะอาดของตกปตกองในน้ําน้ําก็ไม่เลือกใครรับมักที่ฉันไฟก็ไม่ทั้งของสะอาดของตะกบตกเธอจงทําจิตของเธอให้เป็นอย่างนั้นแล้วเธอจะพ้นจากความทุกข์ ราหุนก็เลยคิดว่าโชคดีของเรากลับมาเลยนั่งทำสมาธิทำจิตให้มันเหมือนดินเหมือนาน้ำเหมือนไฟเหมือนลมแต่ว่าก็ว่าทำยังไงมันก็ยังกระ ง, งั้นพระสารีบุตรก็เลยเดินผ่านมาก็เลยบอกว่า ee, นี่อนุนี่ลาหุนเถิดจงเจริญอาณาปานสติสิอย่างกแล้วพระอนุนก็เอยพระราหุนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ e ee, อาณาปานสิกนี่ทำยังไง ก็ไปถามพระพุทธเจ้าตอนเย็ยนพระพานก็บอกเรื่องปฏิทินกงว่าอาัศสันโตและเสวงว่าอาัศสันโตยันไปจนถึงปฏิทีนสักานุปัสสีดังที่เราสวดมาเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ขอให้เสียงผมไม่ไหวนะพระบริบูรท่านมักจะสอนตาพกของท่านเรื่องตาธามนี้ของท่านปฏิวิหาริอันเตวสีของท่านเนี่ยด้วยอาณาปานนัติแล้ว อยู่ในคำพีคุตตะนิจตายปฏนิสัมพิธามักดังกก่าเนี่ยพะยระาลีบัวท่านก็นบอกว่าพิษุใดผู้ใดก็ตามเจริญอนาณาปานาสติให้บริบูรณ์ตามลำดับดังที่พุทธเจ้าได้ตัดไปแล้วได้สอนไปแล้วที่สุนนั้นย่อมอย่างโลกนี้ให้สรงสว่างเหมือนพระจันโคจรออกจากกลุ่มเมฆขันนั้นภาษาบาลีว่าอาณาปานาสติ ยัสสปริปุณนาสุภาวิตาอนุบุพังปริจิตตาจะท่าภุเทนะเทเจตาโซิมังโลกังประพาเสติอภพพามุตโต ว, วะกันธิมาผู้ใดเจริญอาณาปานาสติให้สมบูรณ์แบบตามลําดับดังที่พุ้ตเจ้าได้ตรัอสอเอาไว้แล้วเช่นก็บวออนุบุพังปริจิตตาตามลําดับไปจะท่าภุเทนะเทเจตาดังที่พุทธเจ้าได้สอนแล้วโซยมังโลกังประพาเสติอั พ, พามุตโตวะกันธิมา สิ่สวนนั้นคุณผู้ชมยั ง, ยงโลกนีให้ทรงประวังมองพระอาจาโคจรออกจากกลุ่มเมฆชั้นนั้นท่ามือนี้เป็นคำกล่าวของภาษาริบบททีนี้มันมีคำว่าอะนุปุพังปริจิตตาจะท่าพุเทนะเทสิตาปริปนนาสุพาวิต า, าจะเริญโดยลําดับไปตามที่พุทธเจ้าสอนจเจริญโดยลําดับไปตามที่พุทธเจ้าสอนทําอย่างไรนี่แหละนี่แหละที่เรา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 ลมละเอียดลงจนถึงความสงบลงนับของตายจนไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวนไม่ร้าวและจิตก็สงบด้วยมันก็สุดเวียงเรื่องตายคือเอาตายไว้หยุดแต่อำนาจจะนั่งอยู่ทั้งคืนก็ยังไหวนี่ต่อมาตอนสองหมวดที่สองเริ่มใช้คำว่ า, าปฏิสังเวทีรู้พร้อมฉพาะ เริ่มเป็นวิปัสนาคือมีปัญญานำหน้าสมาธิไปแล้วที่แรกก็ค่อยตีตีตีคู่กันมาดังเก่าแล้วเนยหมวดนี้เป็นหมวดเวทนาจากข้อที่ห้าถึงข้อที่แปดทำไมจะเรียกว่าเวทนาคือเวทนานุ ป, ปัสนาปีติก็ดีความสุขก็ดีนั่นแหละรวมกันเป็นเวทนาเรียกว่าสุขเวทนา ในอนาบานาสตินี้ไม่พูดถึงเรื่องทุกขเวทนาแต่จะเอาสุขเวทนานั่นมาเป็นเครื่องมือเพราะว่าเดนนี่เราเป็นทุกข์เป็นร้อนกันทั้งโลกมีปัญหากันทั้งโลกผัวกับเมียทะเลาะ ก, กันเลิกกันก็เพราะสุขเวทนาอยู่ด้วยกันมันไม่จอยมันไม่สุขเวทนานอนด้วยกันไม่เป็นสุขกินด้วยกันไม่เป็นสุขมันก็เลยทิ้งกันทะเลาะ ก, กันที่เขาประชุมลถอาบุตร ที่ปนามุขเพ้อชิงซ้องอะไรต่างๆหรือว่าโครงการสตาบองนั้นก็เกิดมาจากเวทนาคือสุ ข, ขเวทนาที่ไปตั้งหรือบนดวงดวงดวงดาวอะไรต่างๆก็เพื่อสุ ข, ขเวทนาเพื่อความสุขทางกายทางจิตที่มีความสุขนี่แหละมันมีอำนาจมีอิทธิพลให้คนเป็นบ้าเป็นหลังเป็นทุกข์เป็นร้องตกนาลกขึ้นตะวันก็เพราะสุข ที่นี่เราก็เลยเอาสุกนี้แหละมาเป็นเครื่องมือศึกษาจะไม่ติดมันความสุขเราได้โดยการทำสมาธิให้กายลำงับจนเย็นแสนจะเย็นจ น, จ น, จนมีความสุขจนเหมือนกับล่องลอยไปในอวากาศในจักรวาลแล้วเราก็ไม่ปราธนาสิ่งใดบอ่ออนซอนอีงั้นในโลกนี่ออนซอนเจ้าของนี่วายจสิงส ที่การอ่อนซอนเจ้าของหรือว่าพอใจเถินเองเป็นปีติเป็นความสุขมันไม่ปลอดภัยวันหนึ่งมันก็จะกลับมาบีบคั้นมันไม่เที่ยงมันตั้งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอานิจังข้กขั้งอานาตาเราก็เลยเอามันมาดูมาดูมาดูาดจนรู้ชมหน้ารู้มายาตาไถของมันเพราะปีติก็ดีความสุขก็ดีรวมกันแล้วเป็นสุก ข, ขวเวทนานไอ้เวทนา น, นี่แหละมันก็รวมกันเป็นสังขาร เป็นสังขารฝ่ายจิตที่ได้วยวจิตสังขารสังไปว่าพร้อมการะกระทาสังขระสังกระก็เปรว่ากระทำพร้อมกันพร้อมกันจากเวหนาสมมติว่าเราพอใจก็เสียงเพลงอันไพเราะของพรสักส่องแสงเราก็ไปตุ้งแต่งอยากจะเป็น นักร้องชื่อดังอันดับหนึ่งเหมือนพรรักกองเสงมันนะนะปรุงแต่งนั่นคือคือสังขารแล้ว เ, เราเห็นไข่สวยๆขึ้นมาแล้วเกิดพอใจเรียกว่าสุขเวทนาในการพอใจแล้วก็ไปนอนปรุงแต่งอยากจะเป็นขัวของคนคนนั้นอยากจะได้คนนั่นมาเป็นเนี่ยมันปุ้งนอนอยู่ในนี่แหละแต่มันไปสําเร็จเสร็จเรียบร้อยเป็นโพลเป็นเนียเป็นอะไรกันนี่คือสังขารที่เรียกว่าจิตสังขาร พราะยอย่างนั้นหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติทำจิตเราสงบประมงับเราปริติขึ้นมามีความสุขึข้นมาอิสุขเวทนาอันเกิดจากสิติแต่ความสุขอักเกิดมาจากสมาธิมันก็ปูนแต่งจิตให้จิตคิดดีๆว่าเราเป็นพระอริยะเราอยากจะไปสอนไปเทศในคนโน่นคนนี้ฟังเขาจะได้ประพฤติปฏิบัติจะตั้งสำนักใดโต เพื่อนฟงสหธรรมิกลูกศิลูกหานเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยมันคือมันปุงสังขารมันปุ่งมันทํางานจิตทํา ง, งานสร้างวิมานในอากาศสร้างนาลกในอากาศได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากเห็นดูความสุขแล้วเราก็จะเห็นความคิดที่มันปุ่งแต่งเราก็เลยเอามันดูอีกว่าจิตตั้งข้าหลังปฏิสังเวทีอัสสิาสสัมมิติสิขะติ ที่สุนั้นทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมซึ่งจิตตังคานยู้จะหายใจเข้าหายใจออกนี่มันเป็นลำดับลำดับลำดับที่เรียกว่าอานุบุพังปริจิตตายจท้าภูเทนเทสิตาคือตามลำดับที่พุทธเจ้าสอนแล้วะดีนี้เราตามลำดับกันไหมละ่ะธรรมานาปานสติมันก็ไม่มีลำดับไม่มีขั้นไม่มีตอน ไปนั <necessary. S 2> ่งอยู่กับหโทโทรูโทไม่รู้ขั้นไหนตอนไหนแหละพอสงบลงนับลงไปจนเสร็จพูดโธก็หมดหมดเลยทีนี้ก็ไปดิ่งอยู่ที่ที่ที่ความสงบจะไปไหนได้อีกก็ไม่น่าไม่เกิดปัญญาอะไรหลอกความสงบแต่ม่ามีความสุขมันมีความสุขอันนี้มันมันมันมันไม่เสียหายหลอกแต่มันไม่กล้านาไปถึงขั้นได้เรียกวิปัสนาพอพ้นออกมามันก็เป็นทุกข์ ถูกบีดถูกขั้นอะไรมาให้รักเ็นกลักมาให้ชันก็ชังมาให้กอดก็กอดมาให้เกลียดก็เกลียดเพราะฉะนั้นมันก็มีอีกโซดหนึ่งที่พระรพุทธเจ้าพูดซึ่งไม่มีใครเอามาพูดกันผมก็จะถือโอกาสพูดให้ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้ว่าเรื่องความสงบเนี่ยไม่มีใครพูดกันใครก็ปาถนาทั้งนั้นแต่สงบเนี่ยมันมีอยู่สองสงบ ไอ้สงบดิ่งลงไปไม่คิดอะไรแล้วมันก็เป็นสุกเข้านั้นน่ะสุกแสนตะกุกแล้วมันก็ติดอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่ามันเป็นโทษหรอกเป็นสิ่งที่ควรเสพติดอยู่รอกแต่ว่ามันไม่กาวหน้าแล้วมีสดหนึ่งที่ครั้งแรกก็พระพุทธเจ้าท่านพูดมีพระ้าไปเฝ้าท่นทานท่านก็เลยเทศในฟังว่าดูก่อนพิสุตังหลาย ถ้าเธอทั้งหลายไม่ทําให้จิตนี้ฟุ้งไปสร้างไปในภายนอกไม่ทําให้จิตนี้สงบลางับแน่นิ่งดูภายในแล้วไม่ทําให้จิตนี้สะดุ้งเพราะความยึดมั่นถือมัน่นเธอทั้งหลายก็จะพ้นจากชาติชาาราโมระโสกะปริเทวะและพระองค์ก็กล่าวอีกว่าย่อมไม่เกิดหรือย่อมไม่ตาย ส่วนนี้มีชื่อว่าอุเทศวิพังคสุรปริปนามัจิมันิกายเล่มที่สิบสี่ตอที่หก้อยสามสิบแปดนาที่สามร้อยห้าสิบอยู่เล่มเดียวกันกับอาณาปานสติสูตรที่ที่จัดกับพิี่สังไยที่บุปพารามไม่ไกลกันมากนะคือท่านผู้อย่างนี้แล้วท่านก็เดินเดินเข้าไปที่คันทกุดีพักเลยพี่สังไรก็งงเอทาไม ทำไมพูดอย่างเนี้ยบอกไม่ให้จิตสงบแน่นิ่งแล้วไม่ให้ฟุ้งไปภายนอกไม่ให้สะดุ้งบกความเยอะมันแล้วจะไม่เกิดไม่ได้คนอยากชาติลาโซกับปรีเทวะแล้วจะให้เราทํำยังไงเนี่ยสงบนี่สงบ ฟ, งฟุ้งไปก็ไม่เห็นฟุ้งเราจะทําำยังไงนี่นเราไม่เข้าใจท่านก็เลยหันหน้าหันหลังพระทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้จะถามใครก็เห็นพระมหารกระใจายนะนั่งอยู่ก็เข้าไปการาบถามว่มาท่านมหารกรนะจายนั้เป็นนัปกป่าเป็นบัณฑิต พระพุทธมีพระเจ้าทรงสรรเสริญขอท่านจงวิทศ น, นาจงอธิบายสูตรนี้อุเทศนี้ให้ข้าพเจ้าให้คราเว่าให้พวกกับผมทั้งหลายได้รู้ว่าทําไมพระ อ, องค์ทรงกล่าวอย่างนี้พ้ามหาขใจนะฮะก็ผัดเพี้ยนบอกว่าอืมในเมื่อท่านทั้งหลายแบกขวานเข้ามาในป่าใหญ่แล้วท่านต้องการแก่นไม้ทําไมท่านจึงไม่ไปตัดเอาต้นไม้ท่านมาเด็ดเอายอดอ่อนๆยังไง พาสาตดาอยู่ทั้งคนทําไมท่านไม่ไปทำต้องมาถามผมเปรียบเสมือนยอดอ่อนๆของต้นไม้ที่ส่วนหนึ่งก็บอก ว, ว, ว่าพวกผมทั้งหลายไม่อยากจะรบกวนพราะพวมีพระเจ้าให้ลําบากแก่พระองค์เพราะพระองค์ตรัสเพียงเท่านี้อุเทศนี้แล้วพระองค์ไม่อธิบายแล้วพระองค์ก็จากไปขอให้ท่านพระมหาวิจัยนะผู้วิอายุจงได้อธิบายก็ผู้ผ่านเสีงก็อยู่สองสามครั้งในที่สุท่านก็เลยอธิบายพระมหาวิจัยนะท่านก็อธิบายบอกว่า อยาให้จิตฟุ้งไปสร้างไปภายนอกออยากให้มันรุ่มลงไปกับนิบอนก็คือพวกความกำหนักผัดเคืองความลังเลยสงสัยความฟื้นฟ้าน้ำคานความง่วเงาเฮานนเนอในทำจิตให้มันระงับนิบอนนี้ให้ได้ให้กายระงับจิตระงับแต่ที่บอว่ญญาอยากทำให้จิตดีสงบอยู่ภายในก็หมายถึงว่าอยาไป้องติดอยู่กับฌาน ตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มันดีมันมีความสุขมีปีติมีเอกขะตามีความสุขมีปีติต่อมามีสติอันบริสุทธิ์มีโอเบค้าเนี่ยมันต้นที่จะมีความสุขก็อย่าไปติดมันทีนี้ถ้าบอว่าอย่าทําจิตนี้ให้สะดุ่งบอกความยึดมัน่นเพราะเพราะว่าเมื่อใดตาก็ดีหูก็ดีอย่าโมลิงกายใจก็ดีมันได้กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสปอดถภาธรรมารมคือความคิดใดๆก็ตามเกิดขึ้นในใจอย่าไปยึดมัน่นถึงมันมัน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 ไม่ได้ตั้งใจรู้อีกด้วยไอ้จิตนี้ก็เหมือนกันใจคิดดีคิดชั่วคิดอดีคิดอน า, าคตเราไม่ได้ตังต้งใจมันเป็นมันเองนั่ที่ออกมาแต่อย่าไปยึดมั่นของมันให้มันเห็นอนัตตาอยู่ในอายตนะแล้วมันก็จะไม่สะดุ้งเพราะความยึดมั่นในสิ่งใดแล้วก็ยังไม่เกิดไม่ตายผลอยากฉลา ม, มรณนสโศกปริเทวะคำ น, นี้เป็นคำตอบของท่านประมาหากัจจายรนณะเมื่อท่านตอบอย่างนี้เสร็จ ข้าเรานั้นก็เข้าใจแต่ก็ยังสงสัยเพราะธรรมดาูุทุชนของเราย่อมสงสัยนะครับท่านหลายต้องเข้าใจว่าเราเป็นูุทุชนนี่สงสัยนะใครจะมาพูดยังไงก็ยังสงสัยอยู่ดีๆเข้าใจก็ยังสงสัยผู้ที่จะทำลายความสงสัยเสียได้ก็จะต้องเห็นประจักษ์แจ้งโดยสัจจะในจิตในใจอย่างน้อยที่เรียกว่าโสดาบันผู้เข้าถึงแต่แห่งธรรมหมดความสงสัยในธรรมว่าเป็นไปได้ไหม อันนี้คือมีทุกเป็นอย่างนี้เห็นเกิดทุกเป็นอย่างนี้ความดับลงทิ้งหุหนทางปฏิบัตเพื่อดับทุกก็อยู่ตรงนี้แม่นอนไม่สงสัยไม่ถามใครอากาศถังกะถีเป็นผู้ไม่ถามใครคือมันเห็นได้ชัดเจนเมื่อเราไปเหยียบไฟไปกำไฟมันร้อนแล้วไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปเชื่อใครค้นความสงสัยว่าไฟร้อนหรือไม่ร้อนต่อให้เทวดาเขียวๆมานอนโกหกบอกว่าคุณจับไฟนี่นอนตาแข็งแล้วก็ จับมันนะมันจะนิ่มนวลที่สดอะไรต่างๆมันจะนิ่มมันที่เย็นพูดยังไงก็เชื่อไม่ได้พอเราถูกไฟไหม้มาแล้วอย่างนี้เรียกว่าประจักษ์แจ้โดยสัจจะที่เป็นประจักษ์ตเพราะฉะนั้นพระโสดาบันจึงผ่านข้อสงสัยที่เรียกว่าสกฤติทิฏฐิวิจิกิจชาสีระพัตตะประมาาคําว่าวิจิกิจชานี่คือความสงสัยด่านนี้ทําลายทะลุเทาลวงเสร็จเรียกไม่ต้องถามใคร ไม่พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่สรงถามไม่ทูลถามพระองค์ให้พระองค์ทรงลำบากไม่ทูลถามมีลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นพระภิะสษุเหล่านั้นก็ยังสงสัยดีๆเมื่อพระมหากระจายนะท่า น, น, นตอบอย่างเนี้ยพอโตเกณฑก็ไปเฝ้าพุทธีภาคเจ้าแล้วก็บอกว่าข้าแต่พุทธีภาคเจ้าผู้เจริญท่านพระมหากระจยยายนะผู้มีอายุได้ อ, อธิบายอุเทเห์แห่งพระสาวตะดาที่กล่าวว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้ พระภูริจ่าท่านบอกว่าสาธุภิกษุทั้งหลายกจายนะเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเธอพูดนั้นถูกแล้วถ้าหากพวกเธอทั้งหลายมาถามเราสักร้อยครั้งเราก็จะตอบอย่างนี้เหมือนกันนี่ใครเาใจว่าความสงบนั้นนะเป็นของดีสงบด้วยเกิดความสุขในทางสมาธิแต่มันยังไม่ปลอดภัยนะมีโอกาสล่มลงและมีโอกาสเสื่อม เพราะฉะนั้นความสุขนั้นจึงต้องเอามาเป็นหัวข้อพิจารณาคันที่หกคือว่าสุขะปัญญสังเวทรู้แจ้งความสุขใ้ความสุขนี้เกิดมาจากสมาธิเป็นผลของสมาธิเป็นผลอันเกิดมาจากความสงบในความสงมไม่มีได้สองอันนะสองตอนสมบครั้งแรกเมื่อกายลำงับลงลมหายใจละเอียดลงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลำงับลงกล้ามกายเย็นลงความคิดก็ลำงับลงด้วยกัน เรียกว่าเป็นอ่าประจบเหมาะหรือว่าโดยบังเอิญเมื่อกายลำนับจิตก็ลังนับลงไปแต่พร้อมแล้วมันก็พร้อมที่จะฟุ้งึ้นมาเมื่อมีอะไรกระทบรบกวนที่เรียกว่าสเตอร์อัพขึ้นมาในความสงบช่วงนี้สงบกายให้วก็สงบจิตกายลำนับจิตลำนับช่วงนี้มันลำนับด้วยอํานาจของสมาธิหรือเรียกว่าอํานาจของสมาธะยังไม่ใช่อํานาจของวิปัสสนาอย่างไม่ปลอดภัย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 ไอความคิดนั้นไม่ใช่ตัวรู้ไอ้ตัวรู้นี่ไม่ใช่ตัวคิดแต่มันคนละอันกันอยู่ให้ <c oughs> <c oughs> มันแยกออกมาจากกันได้รู้แล้ว ร, ร, รู้อีกรู้อีกรู้แล้วเหมือนเราเราเร า, เรา <c oughs> หัดเราหัดหมุนเครื่องยนต์ครั้งแรกมันยังไม่ติดพอหมุนมุนหมนหมุนได้รอบความถี่มันเต็มที่ความรอบมันจัะพบพอแล้วเราปล่อยวางมันก็ <c oughs> นกตเตะเชือกเองมันตึม ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆึๆตึงตตึงทีนี้เราก็ไม่ต้องหมุน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 ในที่สุดมันรู้ทังกันเป็นปัจจุบันเป็นหมดคิดมาก็รู้เฉยเมื่อเรารู้เข้ามากๆความคิดโผล่ขึ้นมามันก็ดับไปที่ขึ้นดับไปคิดขึ้นก็ดับไปที่ขึ้นก็ดับไ ป, บไปอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติความคิดไม่มีอิจฉาเนื้อจิตในใจมันก็สงบไอ้สงบแบบนี้ไม่ใช่สงบแบบครั้งแรกไอ้สงบครั้งแรกสงบไม่คิดอะไรเลยหูดับตรงไปเลยอย่างสงบเมื่อตายลำนับเดินลมหายใจละเอียดลงแผ่วลง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 หลับก็หลับแต่กายจิตนี่มันก็ตื่นสติมันก็ตื่นสติโลกกันสติมิจฉาขโลสติเป็นตัวเตื่นอยู่ในโลกเนี่ยกายก็หลับไปสินอนโกมไปสิแต่ไอ้ตัวเตื่นมันก็มีเนี่ยจะฝันมันก็รู้อยู่นี่มันก็เห็นนี่ี่มันก็เตือนขึ้นมาเนี่ยหรือขณะที่ฝันไปนี่มันก็มีสติอยู่ในฝันนั่นนะคนเราไม่มีสติมันก็ฝันเลอะเลือนไปหมดนะ้วไม่มีสติ ในที่ไปฟันเล็บฟันหอยฟันอะไรบ่อยๆคืนหนึ่งฟันไปสิบๆครั้งนะไม่มีสติเลยให้มีสติเราทีนี่สติตัวนี่มันอย่างลู่ที่เรียกว่าอย่างลู่ลงไปคือเป็นภาษาฝรัง่งเรียกว่า boring in the sense boring in the sense ก็เจาะลงไปในประสาทเลยเย็แต่ย็นนอนหลับฟันไปก็มีสติอยู่ในลมหายใจจะคิดจะทําอะไรในฟันก็มีสติอยู่จนตื่นขึ้นมาก็มีสติต่ออย่างนี้ ใน เ, เรีว่ามันเข้าไปอย่างู้ตัวนี้เข้าไปอย่างโลแล้วมันก็เกิด อ, อาการสงบี่สงบที่นี่ไม่ใช่สงบของสมถะสงบของสมถะเป็นสงบอันเกิดจากสติหรือสงบของวิปัตนาคิดทั้งวันก็ไม่บุนหวายหูก็ได้ยินเสียงตุวอย่างตาก็เห็นรลกตัวอย่างนั่งอยู่ในโลงหลังโรงละครอะไรสงบอยู่คือหูก็ได้ยินนั่นแหละแต่ใจมันไม่ตึง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 ฟังไพรเลาะทางหูมันพอใจมันก็เป็นพิษทักลากจิตใจให้ล้องลอยอย่างหน้า อ, อย่างมีอย่างเป็นตามถ้าเสียงด่าอะไรเกิดมันได้ยินมันก็เป็นพิษในทางโลกเป็นพิษในทางบวกทําให้จิตใจนี่เป็นอาพาธใจไม่สบายทีนี้พอรู้มันเฉยๆได้ยินเฉยๆได้กินเฉยๆได้สัมผัสเฉยๆความคิดก็คิดเฉยๆรู้ทันอย่างเงี้ย ไอ้อย่างนี้เรเรียกว่าอาวิสาหารอาหารไม่เป็นพิษอวิสาหาตะมนตะตาหาจิตหมดพิษใดๆที่จะเสียแทงอาหารมันมีหลายอาหารดต่างๆนะอาหารที่กินเข้าไปทางปากพเพื่อรอเลี้ยงร่างกายเป็นเป็นอาหารทางกายเรียกว่าฟิสกันพูดหรือว่าฟิสกันนิวทริเมนเป็นภาษังเนี่ยมันกินอยู่ไปทางกาย แต่อีอาหารอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้นะคืออะไรอาหารทางจิตอาหารทางตาทางหูที่เกิดจากพัฒนาภาษาบาลีว่าพัฒตาหามพัฒนาหา ร, าหารอาหารอันเกิดจากการกระทบทางตาทางหูพูดถึงตรงนี้จะมา น, นึกถึงสมัยก่อนทางโน้ทางท่าอูเทนฟีสงครามผมไปเล่นทังนู่นนะทั้งนู่นก็พูดภาษาเยอะถ้าเห็นก็จะแบโอ้ยขมมองเป็นอาหารตาได้เป็นตื่น อาหารตาเขาพูดโถกแล้วไม่ใช่โถกคือตาเลยแล้วมันก็เข้าไปในใจนั่นแหละทีนี้อาหารตามันก็เป็นพิษแหละเห็นคนสวยมองแล้วได้๋ยวกับมันนอนเป็นทุกข์คิดถึงอาหารตาเป็นพิษอีกแล้วเสียบแทงจิตใจเพราะนั้นพรุทธเจ้าท่านใช้คํานี้มันโถกที่สุดคือว่าอาวิสาหาโลอาหารไม่เป็นพิษไม่มีพิษใด้เสียบแทงอวิสาหตมนสาสตาเนี่ยเรียกว่าภัตตาหารมาโนสังเกตนาหารวิญ ญ, ญาณาห ก็เรียนทังธรรมมาเนี่ยของความโหยไอ้โมนโนสัญเจตอนอาหารนี่ผมจะแปลใหม่ง่ายๆว่าความหวังคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังเป็นอาหารใจถ้าหวังอย่างนี้ไม่ได้ก็มีความหวังอย่างใหม่ถ้าสิ้นหวังแล้วอยู่ไม่ได้กูขอตายกินยาตายหมดหวังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อย่าอยู่เลยตายเสยดีกว่าอะไรทับนอกนั้นคนโบราณอีสานของเรานะพูดไว้คําหนึ่งแบบที่เรียกว่าผมนโนสันเจตอนอาหาร เขีนไม่ในหนังสือเรื่องลึกประศูนลึกประสูนเป็นสเสน่ห์นะสุตที่อาวลึกประสูนอย่างผู้ชายที่ผิดบังจากผู้หญิงก็จะพูดถ้าฟังไม่ถูกมั น, ม, น, ม, นมันก็เป็นเรื่องเป็นราวทางโลกแต่ถ้าฟังถูกมันเป็นเรื่องเป็นราวทางคำที่บอกว่าที่ตนหน้าอทองหลอมน้องตง้องแมวเป็นกระสาวคือตนหน้าหนอกบานทั้า่ําเป็นกระซิ่อย่างเงี้ย คือตอออยอยเกิดเป็นเล่าคือต่อเล่าแคบของพัดเราเป็นกอไข่คือต่อหนามั่งใจสั่งมากขุนคือต่อตอดอกกอดอกสอนเสื้อเข่าสั่งมาไล่ขันบริหนวยแก้วดวงประเสริฐมหาเพจทีสิกลับขึ้นเมื่อไปบวชเป็นเทนเท่าตั้งตอบาลมีสั่งเอาบุญเป็นทีิถนาหน่วยแก้วขอให้เห็นหน่วยแก้วพี่รุ่นเข็มขาเพจปัถนาหนวยแก้วพ่ายหนักสาปสีมา ดีลักษณะเช่นี้คือลักษณะที่เดียกว่ามาโนสังเจตนาหานไม่สิ้นหวังคิดต่อหน้าทองหลงนองสุมเมี่ยเพิร์สาวนี่ผิดหวังแล้วก็ไปไปไปไปไปวางใหม่คิดต่อหน้านอกบ้านอืมท่านจำเพิร์ลกระซิ่งนี่ผิดหวังอีกสองแล้วก็ไปหวังต่อไปใหม่อีกคิดต่ออ่อยเกิดเป็นเล่ า, อ, าอ้อยผิดหวังอีกแล้วก็ไปคิดต่อเล่าแคมของกับเราเป็นกอไข่ก็ผิดหวังอีกคิดต่าหน้าว่างไปทั้งมากอคน ฮิดหวังอีกจิตตกรดอกฝั่นเพื่อเข้าคนบ่ไล่ฮิดหวังอีกแต่ยังไม่อยากตายเพราะอาหารใจมันมีก็ต้องหวังใหม่ที่หวังอย่างไงเมื่อไ้หน่วยแก้วดวงประเสริฐมหาเถรปี่ศิกลับนเมื่อไปบวชเป็นเทนเถ่ายุ่นหวังใหม่ที่หวังไปบวชตั้งประบาลและมีส่างเอาบุญเป็นทีเพิงปัถนะหนวยแก้วพิ่าชเข็มสาบสิมาประดนเนี่ยเขยังมีหวังเลยว่ามีอาหารทางใจที่หลวงมณโนสังเจตนาหะถ้าหวังอะไรไม่ได้แล้วมอดหวังจริงๆอะไรก็ไม่หวังอีก ตายเสียหลีกว่ายายอยู่เลยเงียบคนจีนหวังคนผิดหวังล้มละลายจริงมีนะมีเนี่ยใช่ไหมอย่างที่โกงเครื่องราชนะครับกำลังสอบนะครัลังจะขึ้นสารแล้วไม่กี่ชั<ส>่วโมงก็มันผิดหวังหมดแล้วมีมากมายก็ช่วยอะไรเมื่อได้มีความหวังอย่างเดียวว่าฉันตรงเขา้าคุกแม่นอนเข้าสั่งเตะ ต, ตายเสียหลีกว่ายาอยาอยู่เลยปืนยิงหัวตัวเด่นนะนั่นเราเรียก ว, ว่าหมดอาหาร อาหารทั้งหมดไม่ไหวอาหารกายอาหารทางภัษะอาหารมูอาหารตาหรือความบังใดๆไม่บีบคันไม่เสียแทงจึงกล่าวว่าอุยสาหาโลอาหารไม่เป็นพิษมาพูดที่เจ้าไว้นั่นพูดอย่างนี้นะชนะัดเจนมากนะฉันบาบว่าสัพพสัตสุขามันตะสัมภูเตสุภิกขุทังไรเหมือนกับเดือนแห่งฤดูร้อนชาวนานได้ขนข้าวข น, ขนปาขึ้นบ้านหมดแล้ว คนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้เพียงแต่ไปนอนอยู่ในที่แจ้งในอไปร่มไม้กําหนดมองดูว่านั่นโคของเรานื่องโคของเราก็พอแล้วในเธอทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อจิตถึงขั้นที่วารู้แจง้งเจิตสังขารยังเจิตสังขารํางับแล้วเนี่ยก็เพียงแต่กําหนดว่านั่นทำทั้งหลายนั่นจิตนั่นทำนี่ก็เหมือนกันเมื่อมันรู้กันทันเข้าทันเข้าทันเข้าความคิดเกิดขึ้นรู้คิดขึ้นเมื่อไรรู้ทัน รู้ไปรู้มามันรู้โดยอัตโนมัติเป็นมหาสติมหาปัญญาอยู่ในตัวของมันสแตนบายรู้อยู่อย่างนั้นเป็นซูเปอร์สแตนดาดีลงอย่งนั้นมันก็หมดปัญหาเหมือนไปเลี้ยงควายหน้าแรงปล่อยลงไม่เลยในทุง่งบิย่าณมันกินเขาไปได้เขาเกี่ยวแล้วแล้วเขาตีเขาแก่ขึ้บานเรียบร้อยแล้วมันไปนอนเหลียวบึงดมันโ ม, นมนหิยแต่ก่อนเราฝึกใหม่ๆก็เหมือนไปเลี้ยงควาย ลี้ยงหล้ยงอยคกย่ำย่ำเขาัดำหน้าไปวันนี้จะไปกินข้าวเขาเฮอมาได้มันจะไปกินแล้วเขาก็จะจับจะจองจะปั๊บเมื่อไงกันอารมณ์เมื่อเราฝึกใหม่ๆหเฮ้อไม่น่ามันไปโน่นมันมาหนี่มันปั๊บเราพัดที่จะลุ่มจะหลงทีนี้เราก็ตามดูมันตามดูมันเยจิตตังสป็นเมื่อเดโมกันเดมาละพันนันงพู้ได้ตามรู้จิตหลังตาจิตของตนผู้นั้นก็พ้นจากบ่วงแห่งมัน ต่อมนต่อมาเมาืม่อเรารู้ทันมันเข้ามันเข้าเอาไปเอามามือนกับเขาเกี่ยวข้าวเขาโวดข้าวไปอีข้าวแล้วแก่ฉบานแล้วแล้วมันเลี้ยงเลี่ยกับเบญจาเลีงม่วกกับเบญจาปล่อยไปลวดไปนัอนเบิงแต่งเอไม้ไปนอนเบิงในเทียงหน้าว่าเนี่มันเห็นอยู่เป็นอันมาใส่ใดบอกตรงว่ามุ่มันจะไปกินเอียงไเพลนอนีอ่นเขาเกี่ยวแล้วจิตนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่รู้ปั๊บรู้แล้วมันกระดับลงไป จะโกดขึ้นมาก็รู้ปั๊บมันเงินดับลงไปจะรักขึ้นมารู้ปั๊บมันเงินดับลงไปอย่างนี้แหละปิดก็นับวันที่จะโกดยากรักยากชังยากเกียดติยากกลัวยากมาให้รักก็ไม่รักง่ายงายมาให้โกดก็ไม่โกดง่ายงมาให้ชังก็ไม่ชังง่ายๆ่ายมาให้เกียรก็ไม่เกียรตง่ายง่ายความที่ถือเนื้อถือตัวมีมานะทิฏฐิต่างๆก็นับวันที่จะลดน้อยถอดลองลดมานะละทิฏฐิเนี่ย คือการทาอนาบานสตินี่เพียงแต่ขั้นที่แปดเท่านั้นนะเนี่ยมาครึ่งนี้ไปได้มากแล้วที่ยังเหลืออีกแปดตอนก็คือตอนที่จะไปทำกับจิตทำกับจิตที่เรียกว่าจิตตานุปัฏนาเริ่มตั้งแต่จิตตะปฏิสังเวทีรู้แจ้งจิตจิตตนเองมันเศ้ามองมันตลอดขดหูมันเบิกบานมันพออกพอเจอะไร อ, อ, อ่อนาบานสตินี่ มันมีอยู่สี่หมวดด้วยกันในสี่ตอนนี่แต่ละแต่ละหมวดมันมีอยู่สี่สี่ขั้นตอนก็รวมกันเป็นสิบหกเราพูดกันมาแล้วสองหมวดตัอหมวดว่าด้วยกายเป็นวิการยานุปัสสนาต่อมาก็หมวดว่าด้วยเวทนาสรุปอีกทีหนึ่งว่าหมวดแรกสี่ขั้นตอนตั้งแต่ทำลมยาว หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวยาวจนเต็มในท้องในไส้จนมันอัดไปจนทั่วทั้งร่างกายแล้วมันก็จะก่อให้เกิดสุขภาพทางกายดีขึ้นอะไลเวียนของโลหิต ด, ดีขึ้นสมองดีประสาทดีอะไรต่างๆทีดีปอดนี่มันก็ได้รับออกซิเจนเต็มมันก็ป้องโลหิต ด, ดำเป็นโลหิตแดงเลื่อที่มันเสียให้มันดี ตรานี้หัใจหัใจก็ลายเวียนไปทั่วร่างกายการทํำลมยาวนั้นไม่ใช่เป็นประโยชน์เพียงแต่ทางจิตเป็นประโยชน์ทางกายด้วยเมื่อหายใจยาวเหนื่อยเต็มที่ออกยาวเข้ายาวแล้วเราก็ปล่อยพอปล่อยมันก็รีบเชา้าสั้นตามประษาของมันมันอยากสั้นอยู่แล้วเรามาบังคับมันยาวมันก็รีบสั้นหอบเล ย, เลยลมัน้องว่าเศร้าแง่แง่ไปเลยทีนี้เราก็ปล่อยธรรมชาติ เฝ้าสติไว้ที่รูมันเข้ามันออกตรงจมกูกไม่ต้องไปวาอะไรหรอกพุดโทยุกนอฟองน้อยสมาหลังอะไรอันนั้นเป็นเทคนิคเทคนิคที่ครูบาอาจารย์ท่านแต่งขึ้นแต่นี้เราจะไม่เก่งเกินพระพุทธเจา้าเราก็เลยว่าตามหลังพระพุทธเจา้าเราก็ทําตามนั่นทีนี้เราก็เฝ้าจอไว้ที่ประตูเข้าออกทีนี้ ลักษณะเช่นนี้มันเหมาะสมต้อหรับบางคนท่านั้นแต่บางคนจิตมันยังวิตกคือมันคิดเก่งแล้วก็ไปให้ลมมันพอมันเข้าออกทีหรือว่าสั้นตอนนี้หลังจากเราบังคับให้มันยาวเนี่ยมันสั้นมันตัวร้อนพอมันมันเริ่มเย็นลงหน่อยลมหายใจมันก็ยาวออกเอีกแต่มันก็ไม่ยาวเท่ากับที่เราเคยบังคับมันยาวธรรมชาติมันช่วงนี้เราสร้างความรู้สึก สักสามจุดเวลาเข้าคือล้อมให้มันทีขึ้นสร้างความรู้ด้วยว่า knowing frequency knowing being knowing be i n g รู้ตัวรู้พร้อมอย่างอย่างอย่างทียึบขึ้นมา frequency ขึ้นมาให้ใจเข้าปั๊บสร้างความรู้สึกที่รูรจมูกพอผ่านรูจมูกไปปื้ยก็มาที่หน้าอกแล้วก็มาที่สะดือ ตรงนั้นท้องกล่องสุดแล้วค้าออกก็สะดืเริ่มจากสะดือยุบลงมาแล้วก็มาลู่ที่หน้า อ, อกล่ามารู่ที่มันรูออกสุดที่จมูกเวลาเข้าก็เหมือนกันจมูกหน้า อ, อกสะดือเวลาออกสะดือหน้า อ, อกจมูกการทําทอย่างนี้ไม่จะว่าเอาเองนะภาษาบาลีเขาเรียกว่าอะนุพันธนาตามตามลมตามรูตามจุดกระทบนี่ ฮันติ่งตามล่ามันเมื่อเรารู้สามจุดนี้ความคิดที่มันจะแลบออกมามันมีน้อยมากเพราะถ้าคืนไปคิดมันก็ลืมสามจุดนี้การทําอย่างนี้นานเข้านานเข้าความคิดก็ออกไปยากมันก็ร่มสงบสงบแล้วมันก็จรู้สึกว่าลมนี่มันวิ่งเป็นทางเหมือนเป็นท่อ อ, อ่อลอดอ่อลอดในภาษาเล่าเขาว่าอย่างนีเป็นท่อ อ, อ่ลอด ขึ้นลงขึ้นล ง, ข, นลงขึ้นลงความรู้สึกก็ล้อมลงมาล้อมลงมาช่วงนี้คล้ายๆเราเราเลี้ยงลูกนะโยมผู้หญิงจะเข้าใจดีเขาเอาลูกนะลูกอ่อนๆนอนเปเอาใส่ในอูนี่มันไหามันดิมน่มตัวอูตายเวลาเราไ ป, ไปเปยรียกว่ากลวยอูแล้วก็ต้องมองตามมันตลอดมันไปโน่นก็มองตามมานี่ก็มองตามกลัวว่ามันจะลุก ขึ้นมามันจะดิ้นตกไปตกอูคอหักตายเพราะมันยังไม่หลับตอนนี้มันยังดือ้อจิตนี้ก็เหมือนกับเด็กตัวเล็กๆ เ, เดี๋ยวนี้เราเอาจิตไปอูคือไปในลมหาใจแล้วเราก็มองตามมันสามจุดอย่างว่าเนี้มันจะโผล่ไปไหนก็ดูมันทันจับยัดเข้าไปอย่างเงี้ยในที่สุดมัก็เริ่มสงบสงบลงสงบลมๆหายใจใ น, น้อยๆลงละเอียดลงละเอียดลงทีนี้ก็เหมือนเด็กมันกําลังจะหลับแล้วเราก็ไม่ต้องมองตามให้ปวดคอ ทีนี้เราไม่ทำอนุพันธนาไม่รู้ตามตามจดุดแล้วก็ไม่รู้ที่มันเข้าที่ตรงจมูกเนี่ยเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปแล้วออกมาตรงนี้เรารู้ที่มันกระทบตรงที่ชานจมูกพิรูจมูกภาษาบาลีว่าพุทะนาพุทธนาช่วงนี้มันเก่งหน่อยก็เอามาพุทธนามันเริ่มสงบเอามาที่จุดกระทบเดี๋่มันเข้ามันออกมันเข้ามันออกมันก็เริ่มเย็น บางคนมีความรู้สึกแรงขึ้นเลยว่า n ซ i t i v e มีความรู้สึกแรงขึ้นเย็นที่จะูกขึ้นไปสมอง น, อนู่นเลยเย่เรือไปสมองล้วที่นี่เราไม่ใจละเอียดลองเย็นขึ้นบางคนไม่เป็นอย่างนั้นแน่นหัวปเปะเะยหนักหัวปวดนี่แสดงว่าความรู้สึกส่วนบนมันมากแล้วการเพ่งต้องจนเกินไปก็ทําให้หนักตรงหน้าผากแล้วก็ปวดหัว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 อามาดูที่สะดือเอาจุดนี้เอาจุดนี้เจ้าจมกูกไหวที่มันขึ้นแวบบขึ้นแวบบลงอยู่ตรงนี้ตรงเตัวความรู้สึกส่วนบนที่มันทําให้ปวดหัวที่มันเป็นเซนสตีพูดว่ายังไงอะ่ะว่าภาษาฝรั่งอย่างนี้มันก็ง่ายสำหรับฝรั่งที่นี้แต่คนไทยเรววาไอ้ความรู้สึกมันมันไม่มีความหุมือแห้งอยู่ในหัวที่นะความรู้สึกทั้งหัวหลายปวดมันบวลงทั้งไตยัยงไม่ทัว่วตัว เกลี้ยยังไม่เป็นสัพพกายะปฏิสังเวทียังไม่รู้สึกตัวทุกขพร้อมมันไม่รู้ส่วนแค่คอ ข, ขึ้นมานี่ยมันหนักตึก๊กปวดแน่นทีนี้เราก็เอามาไว้ข้างล่างเอาไว้ตรงสะดือที่มันขึ้นมันแบบพ่องขึ้นแวบลงไี่ต้องไปพูดอะไรเ อ, เอาสติไว้ตรงนี้แวบเอาแวบออกนเลยนี่ในที่สุดข้างบนมันก็ลดลงมา คือเฉลีย่ยความรู้จากส่วนบนลงมาส่วนล่างเพื่อจะแผ่ความรู้สึกที่เป็นซ้มประชัญญะนะฮะมันทวนในที่สุดจิตมือก็มาอยู่จุดเดียวลมหายใจน้อยมีนิดเดียวแต่ความรู้สึกช่วงนี้เมื่อมาจับจุดไว้ตรงกลางที่สะดือเนี่ยถ้ามันหนักหัวน้ําปวดหัวเราก็จะรู้สึกตัวเราละเอียดเข้ามันกระดุกกระดิกเห็นลมวิ่งไปตามมือตามเท้ามันดิ่มลุกๆยึก แล้วเห็นมือนี่มันช้อนกัน ใ, ใหญ่ๆเท่าลูกกล้วยหรือตัวเราใหญ่ขึ้นนี่ลักษณะนี่คือมันอยู่ในขั้นที่ว่าส ภ, ภกายยะปฏิสังเวทิไม่ต้องยานตายเลยบางคนรู้ว่าตัวอด ต, ตัวเองเป็นตัวจะใหญ่แล้วกลัวตายไม่ใช่นั่นแหละคือมันละเอียดคือส ต, สติสติที่มันรู้ทุกลมหายใจนานเข้าทีละนิดทีละนิดหลายนิดเข้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนิดมันก็เลยมากกายมาเป็นสัมปชัญญะรู้ตัวที่ตัวจะใหญ่บัง ลมหายใจละเอียดตัวใหญ่ใหญ่ไม่อยากนอนตาจีตาตีขมนมาบัดนี้ยไม่อยากนอนละไี้นิวรณ์นั่งห้าก็เริ่มสงบลงครับตรงนั้นเจดีดูให้มันละเอียดเขี้ยาไปเอาไว้ข้างล่างเีดี ท, ทามันตัวใหญ่ใหก็เอาขยับมาดูข้างบนตรงที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกถ้ามันไม่หนักหัวนะถ้ามันหนักก็ดูข้างล่างที่ในที่สุดความรู้สึกมันจะแผ่ไปทั้งตัวเริ่มแพ้ไป นี่คือลักษณะนี้ยังไม่ใช่เป็นวิปัตนาแต่เพียงแต่เริ่มเริ่มมันเป็นสมถะอยู่ที่ถ้าลมมันละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนเฉยๆว่างๆยึดลงไปเป็นซักคอนเซ็ปต์ลักษณะเชนในบางคนมันเย็นเย็นขึ้นสมองมันเย็นไปตามเนื้อตามตัวอะไรอย่างเงี้ยเย็นตามเส้นเลือ ด, ดใหญ่ๆตามแขนอย่างเงี้ย บางคนก่อนจะเย็นมันก็ต้องร้อนบุบบอบฟ้าบังดังนั้นจึงค่อยเย็นก่อนที่มันจะรำงที่ที่บางคนไม่เป็นอย่างนี้มันหลายคนหลายเป็นแหละที่เรียกว่าจราิตไม่เหมือนกันต้องพูดเผือบไว้หลายหายคนบางคนไม่อย่างนั้นพอหัวไม่ปวดอ่ะหัวไม่แน่นแต่ลมหายใจละเอียดละเอียดละเอียดแล้วมือนก็เริ่มเห็นเห็นนิมิต ที่เป็นเหมือนปุยเมฆเหมือนปุยฝายเหมือนไข่กบไข่เคียดเหมือนเดือนเหมือนดาวเหมือนแมงหิ้งห้อยเหมือนใยเมงมุมไหลไวยวยวยผ่านไปผ่านมาน่ะพอเห็นแล้วกอย่าไปตื่นเต้นถ้าตื่นเต้นหายปั๊บลักษณะเช่นนั้นคือความละเอียดลงของลมหายใจเกิดโอคหานิมิมาถึงช่วง น, นี้ถ้าเราฉลาดปล่อยปล่อยลมหายใจก็ไปกาหนดเอาดิมิตตัวนั้นแหละที่เรียกว่าโอคหานี่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 ตาตาตาอย่างนั้นเองไม่จะแปลกประลาดอะไรเลยเมื่อถึงช่วงนี้มันลงไปตรงนั้นมันออกมาเองนะถ้ามันไม่ออกเมื่ออยู่ตรงนั้นเป็นธรรมชาติของมันอย่าไปกวนมันอยากจะออกจากสนามาที่สมองอะไรมันไม่ออกอยู่ตรงนั้นพักผ่อนเองมันจะออกมาเองถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยทําให้มันเก่งสิทาให้มันเก่งออกมาแล้วเข้าใหม่เข้าแล้วออกออกแล้วเข้าอีกนิ่มลงไปเลยแล้วลวมไปถ้าอย่างนี้ไม่ทันอะไรหรอก มันเป็นฤทธิ์เป็นเดชครับบอกได้คําเดียวมันเป็นอันตรายเหมือนกันอาจจะเกิดพวกยานรัศนะต่างๆนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะไปเห็นแมวออกลูกอยู่ตรงโน้นที่ศาลาน้นหรือนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะได้ยินเสียงโน้นในหมู่บ้านโน้นงมูควายเขาหายหรือนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะเห็นเลขไหลออกมาที่ละตัวสองตัวในตาแล้วมันก็ไปถูกจริงๆอย่างนี้ถ้าคืนไปยึดมันหรือมันไปบอกมันเข้าไปจริงๆก็เป็นอันตราย อันตรายทั้งผู้ซื้อไปทั้งผู้ขายเป็นอันตรายทั้งพระธรรมวินัยของเราเป็นการแสวงหานอกทางเอีกหน่อยจิตใจก็ลหลงไหลเหลิงเจืองกลายเป็นที่อำมาซึ่งลับสักกะละกลายเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นถือมันมันก็ไกลห่างจากสัจธรรมอันนี้บอกไว้ว่าทางมันไปตรงนี้ไอ้พูจิตสงบมากๆดำเด้งลงไปเป็นอำนาจเนื้อจิตสงบเมื่อไหรก็ได้มันก็เป็นเจโตวะสีมีอำนาจเนื้อจิตก็มีฤทธิ์มีเดช อยู่ตรงนี้อาจจะไปโน่นนะบนนรก ไ, ไปในสวรรค์ไปบนนรกเป็นมโนโมษย์มิจฉิลิธานใจคือจิตช่วงนี้มันเป็นเรเซอร์เป็นแสงเรเซอร์ที่คมคมปิดแหลมปไปในก็ได้อย่างนี้แต่บางคนมันเก่งมากละ่ะช่วงเนี้ยทีนี่เราไม่ต้องปรารถนาอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่แน่บางคนมันง่ายที่จะมาทางนี้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 มันไม่ดับทุกแต่มันมีหน้ามีตามีชื่อมีสิวมีคนเคารพกราบไหว้สั่งวัดสั่งวาให้ใยให้โตนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ปราถนาควารเก่งแต่เราปราถนาความถูกตล่องแต่ถ้ามันจะเก่งขึ้นมาเป็นของแถมโอ้ไม่วาอะไรแต่ดีจะได้เป็นเครื่องมือทรมานคนดื้อพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธฤทธิเดชท่านก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นที่เป็นภัยอะไรแต่ท่านบอกว่ามันสู้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 เวลาท่านปฏิบัติท่านก็ทําของท่านงมสาวงมสาวมาเหมือนกับผมเนีแหละแต่ท่านมีบุญมีวาสนาบารมีท่านแก่กาเลเลกันมองอะไรทะลุโ ป, ป, ปองเป็นปฏิทัมพิธาแตกช้านละเอียดหาได้ยากโรกจะต้องรอคอยไปอีกเออไม่รู้กี่ปีกี่ร้อยปีส่วนพวกที่มีฤทธิ์มีเดชหายตัวอะไรต่างๆงูทิบตาทิพกําหนดรู้ใจคนอื่นไอ้พวกนี้มีมานาน ตั้งแต่พระพุทธเจ้าไม่เกิดพวกลูซีโยคียดาบทในป่าในเขาทำถูกต้องไม่ได้แต่ทำเก่งได้ยังไม่ได้ตัดสู่พระเทวาทัตเก่งขนาดไหนขนาดที่เหาะเข้าไปจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กน้อยงูพันเอวไปที่ราชวังห้องบรรทมของเจ้าชายอาชา ต, ติโตทำได้จนลงไหล ดังกว่าพระ อ, อรหันต์พระ อ, อรหันต์แยะแยะไม่มีใครดังเขาพระเทวทัตราชรถวันละห้าร้อยคันเขาไปกราบไปไหว้ไปถวายอาหารพระ อ, อรหันต์นี่คิศตายไปเลยนั่นแปลว่าการทำเก่งแต่ไม่ถูกต้องในที่สุดมันก็พังอย่างนั้นที่นี้ผู้ที่ทําถูกต้องแม้จะไม่ได้บวชจะเลืิญถูกต้องแต่มา่อที่ภาวนามึงไปทําไลาย อาสวะไปทำลายความยึดมั่นตรมั่นนางวิสาขาพวกอนาทะบินติกาเศรษฐีพระเจ้าพิมพิสารตุโตธน า, าพวกนี้นอนกอดลูกกอดพ่อ ก, กอดเมียโยแต่ทำลายโอลอมพากี้สั่งโยผ่านไปเป็นโซนาบันก็มีสกิทาคาอนนาคัามีเกันได้ทั้งทัที่อยู่ในบ้านในเลยแต่ไม่มีริปมีเดชเหมือนพระเทวทัตอนี้นเราทั้งหลายต้องตั้งวนระวังโดจิตที่มันทำได้สารพัดแหละ ในเมื่อมันเต็มหงบมันมีกําลังเหมือนไฟฟ้าเอาไปช็อตปลาอยู่ในน้ําก็ตายอย่างเงี้ยเอามาเสียบใส่โทรทัศน์เปิดปั๊บเห็นก็ชกกันอยู่ต่างประเทศเห็นข่าวถ่ายทอดดาวเทียมต่างประเทศยิงกันที่อาลเปอร์ตีสงครามอาลเซอร์เตอาลไซด้าอะไรเกิดมาอะไรเห็นทั้งนั้นทั้งๆ ท, ที่ตัวเองไม่เคยไปแต่มันเห็นในจอโทรทัศน์ไอ้โทรทัศน์นันได้กําลังมาจากไฟฟ้าแต่ถ้าเอาไฟฟ้ า, าไปโทรทัศน์ก็เป็นวัตถุสิ่งหนึ่งเห็นอะไรไม่ได้ เอ้ดวงไฟฟ้านัน่คือพลังไอ้พลังจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันมีบ้างๆมันก็ใช้งานได้หลายสิ่งหลายอยา่างอันนี้พูดพูดให้ฟังเป็นการเคลียกันเฉยๆหรอกนะเราทั้งหลายอย่าป่าเถื่อนนะ <c oughs> แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเองโดยบุญโดยบารมีก็อนุมโมตนาสาธุไม่ว่าอะไรเราพูดไปเจ้าท่านก็นไม่ได้บอกว่ามันเป็นที่สะ้อะไรหรอกถ้าไม่ได้แอนตี้แต่ว่า มันมันยังไม่ปลอดภัยเลยในเมื่อจิตยังไม่ทำลายความยึดมันถึงมันลงไปได้อันนี้เราให้ฟังสี่ขั้นตอนนะตั้งแต่ลมยาวไปถึงกายลำงับจนจิตดับพลึบลงไปลำงับกายไม่เจ็บไม่ปวดนะมันออกมาแล้วมันมีความสุขด้วยมันมีฤทธิ์มีเดชด้วยสมาธิภาวนามันมีผลอยู่สี่อันไม่ว่าจะทำแบบไหน โตแล้วมีสีอันผู้เจ้าทันตั์ไว้ในจตุกาิบาทอังคุตันใกายเล่มที่ยีสิบเอ็ข้อที่สีสิบเอ็ดหน้าที่ห้าสิบเจ็ดบอกว่าสมาธิภาวนามีสี่อย่างคือผลของมันหนึ่งเป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นเรียกว่าทิฏฐะทำ ม, มิกระสุขแต่แล้วความสุขจากทำอันตนเห็นแล้วสองเกิดญานทัศนะมีลทธิ์มีเดชของทิฏตาที่พอเหลนเดินอากาศดำดินบินบนกําหนดรู้แจของคนอนได้ สามมีสติสัมปชัญญะโดยสมบทรสีทำอาสวะให้สิ้นไปสองข้อแรกคือความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นแฟ น, แฟนจะสุขยิ่งกว่าการมาลมที่เคยเสพมากับความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชหูทิปย์ตาทิพ 2. สองข้อแรกนี่เป็นได้บุถุชนธรรมดาก็เป็นได้ไม่เลือกถ้าทำถูกถ้าทำเก่งสองข้อแรกนี้เป็นผลของสมาธิหรือเรียกว่าสามถะสมถะส่งให้เกิด หนึ่งความสุขอิมเออปีติปามโมตในธรรมจนไม่อยากกินข้าวกินปาสิบวันก็ได้มีความสุขขนาดนั้ น, น, นและก็มีฤทิ์มีเดชหุ่นทิพยตาทิพย์ยนแผ่นดินกําหนดรู้ใจของคนอื่นแสดงฤทธิ์ต่างๆดําดินอลไรต่างๆหเหาะเฮินเดินอากาศหายตนหายตัวเกิดมาจากสมาธิระดับนี้ของสมถะส่วนสองอันหลังความเป็นผู้มีสติสมปชัญญะโดยสมบูรณ์และความเป็น อาเป็นไปเพื่อทำํำลายอาสวะกิเลสความทุกข์ที่ดองในสันดานะอันนี้เป็นผลของสติเรียกได้ว่ะเป็นผลของวิปัสนาวิปัสนาให้ได้สองอย่างคือมีสีสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์แล้วก็ทำลายอาสวะให้สิ้นไปได้ส่วนสมาธินั้นก็มีผลสองอย่างคือมีความสุขในปัจจุบันทันตาเห็น แล้วก็มีฤทธิ์มีเดช ด, ดังหลวมพ่อลวงตาบางองค์ท่านมีความสุขมากอยู่ในป่าในดงจนไม่อยากออกมาสู่สังคมเมือนจนเจจะไปเทิไปส้อนใจบาดเมืองจะเป็นยังไงปราสนะจะล่มจมไม่สนใจฉันอยู่ในป่าในเขาดีที่สุดมีความสุขความสาบายไม่ต้องรบกวนกับสังคมแล้วคนก็มากราบมาไหว้เศรษีทั้งหลายมาถวายข้าวของเงินทองขอ ง, ของกินดีๆให้ไม่ลําบากอย่างนี้แหละเรียกว่ามีสุขในปัจจุบันท่านตาเห็นด้วย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 อย่างนี้เขาให้เราทั้งหลายได้เข้าใจเอาไว้ก่อนต่อมาขั้นที่สองต่อมาหมวดที่สองว่าโดยเวทนามีสี่ขั้นเริ่มตั้งแต่รู้แจ้งปีติรู้แจ้งความสุขรู้แจ้งความคิดแล้วก็ทําความคิดให้มันล้ำงับปีติเกิดขึ้นมาอืมทําให้เราลงไว้เราก็รู้มันทันมันเลื้อยอย่างนั้นมันก็เป็นความสุขอันเกิดมาจากความนั่น แล้วก็ลนะ้มไหลหนักเข้าไปอีกแล้วจิตแจมก็ปรุงแต่งไปในสภาพที่เป็นปุญญาภิสังขารปรุงแต่งอย่างยิ่งในสิ่งที่ดีที่งามจะตั้งสำนักจะเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่โตมีชื่อมีเสียงคนเคารพศรัทไหวมีคนมาถวายหมากไ ม, กมก้ตายกองนี่มันปรุงแต่งรู้มันทันรู้มันทันรู้มันทันเจนมันคิดอะไรขึ้นมาก็ระงับมันลงไปเลยโดยอัตโนมัติล็อกคอมันตายไปะรู้ทันดับไปรู้ทันดับไปจนไม่มีอดีตไม่มีอนาคต ไม่ปาถนะสิ่งใดมีแต่นั่งดูนอนดูเดินดูซึ่งความคิดของตนเองความรู้สึกของตนเองอย่างนี้จิตก็เริ่มเป็นจิตที่ไม่มีพิษอาหารไม่เป็นพิษก็อเาอาบางนี่คุยเข้าใจอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาถึงขั้นที่าหมวดที่สามที่เรียกว่าจิตตานุ ป, ปัสนาจิตตานุ ป, ปัสนาดูแจ้งจิตหมวดนี้ก็มีสี่ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่ จิตตังปัดดิสังเวทีรู้แจ้งจิตแล้วก็มาถึงอภิโมทัยอย่างจิตตังทาจิตให้ป่ามโมทให้บันเทิงสมาธิหังจิตตังอย่างจิตนี้ให้ตังมั่นแล้วก็มาถึงคันทิวา ว, วิโมทัยอย่างจิตตังอย่างจิตนี้ให้ปลดปล่อยเปล้องเข้าออกเมื่อไรได้เรื่องสมาธิอันนี้เรื่องจิตตรงนี้ละเอียดมาก ถ้าใครทำให้คองตรงนี้ก็กลายเป็นผู้มีอภินญญาอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างอีกด้วยแต่ถ้าใครไม่ทำตัวนี้เห็นว่ามันช้ามาทำจิตสังขารลำงับลงได้รู้เท่าทาันพีแล้วก็โดดขึ้นไปโน่นเลยขันที่จะสามไปดูความไม่เชี่ยงดูความเบื่อหน่ายจางคายความดับลง แห่งความยึดมั่นถือมั่นดับลงแห่งปัญหาประธานดับลงแห่งสังขารทั้งหลายแล้วก็เห็นการปฏิเสธสลัดคืนต่อความเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นพวกเราของเราออกไปเมื่อทันที่สุดแห่งทุกนี่อย่างนี้อย่างนี้อะไรที่เรียกว่าอนุปุพังปริจิตายธาปุเทนเกติตาอนาปานสติยัตสปริกบุญนาสุภวิตาเป็นการเจริญอานาปานัสสติที่บริบูรณ์ ตามลำดับที่พุทธเจ้าสอนโรอิมังโรกังปภาเซติอัภพพามุตโตวจัจจะที่มาที่ส่วนนั้นจะยังโลกนี้ให้สองสว่างเมืองพระจากโคจรออกจากกลมเมฆขันนันวันนี้พอมาพูดมากานะสมควรนะเอาไว้สองขั้นตอนค่อยพูกันที่หลังเรื่องจิตกับเรื่องทำให้ม่ละเอียดเป็นตอนเป็นตอนพูแค่นี้ท่านหนึ่งหลายคนคงจะฟังกันไม่ไม่ทันนะ เพรว่าถ้าใครเริ่มทําใหม่แล้วก็จะมืดตื้อไปเลยแต่ถ้าใครทํามานาเก็เพอจะมองเห็นโครงสร้างสัจเจ้าเอาลายขอ ง, งติ๊กเรานี้สแต่เราวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเราก็จะได้แยกกันกลับไปทําความเพียรในกดของใครของมันอย่าลืมมาพงศ์ในเช้าประมาณตัตนะีสามเพราะว่าตีสามครึ่งมันยังน้อยไปหวังว่าเพื่อนสัตว์ธรมิกทั้งหลายคงจะใจสู้ตีสามนี่ะระฆังสัญญาณมารวมกันเรามานั่งสมาธิสัก สักชั่วโมงหนึ่งแล้วแล้วก็จะไหวพระสักครึ่งชั่วโมงนั่งจากครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีการกล่าวธรรมิการะาตอบปัญหากันไปจนถึงไปห้าจากไปห้านั่งสมาธิต่อที่ลานกะลาเวกลานสมาธิเนี่ยและถ้าหากว่าใครว่าแกงปขูขาจะเป็นอริยาบทจะเดินก็ลุกกระเน่นไปจนถึงสว่างไปห้าไปสว่างชั่วโมงหนึ่ง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 ไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลได้ผลเมื่อกันได้จช้าหรือบางทีอาจจะไปติดอยู่กับความสงบติดอยู่กับฤทธิ์กับเดชติดอยู่กับพวกอะรลาภสกุลละอะไรต่างๆก็ไปกันไม่ไหวแต่ที่เราต้องการจะไดเล็กไดเล็กอะไรคือตรงไปเลยเป็นอุชุปฏิปันโนปฏิบตัติตรงตรงไปสู่ความดับทุกข์เพราะว่าการปฏิบัติธรรมของเรานี่ต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระอรหันต์ เพื่อเป็นพระอนาคามีเพื่อเป็นสเกตาคามีเพื่อเป็นพระโสดามันแต่เราปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์กอันโตทุกขะสะอันตะกิริยายะกระทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ดังที่เราได้สวดมนต์พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยบอกใครว่าท่านต่างหลายจงมาบวชมาประพฤติพรหมจรรย์ น, นี้เพื่อความเป็นพระอรหรอันต์เถิดท่านไม่ว่าเอหิภิกขุปัตสัมปทาท่านต่างหลายเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดมะม า, มาเป็นภิกษุซัก พอมัจะเรียงจะรัจะอันโตทุกข์สันต์กริยาอยากจุ่มมาเพื่อพรมจันเพื่อการทําที่สุดแห่งทุกข์เพราะยังการปฏิบัติของเราไม่ใช่เพื่อเป็นโซดาบันสกษษษาาิทาคาอนางคาอรหรันอะไรหรอกอันนั้นเป็นชื่อที่เขาเรียกอย่างนั้นสมมุติกันอย่างนั้นแหละเราขอให้รู้อย่างเดียวว่าเพื่อไม่เป็นทุกข์ปฏิบัติเพื่อมาให้เกิดความทุกข์อยากเป็นพรอรหรันมันก็ทุกข์แบบพรอรหันนีมันยืดเยือย้อเป็นบ้ า, เ ป, บาเป็นบอง ก, กันเพราะความอยากเออาแค่นี้นะโอเคนะอ่ะประกันกลับ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 เมื่อเรามาเพ่งดูอยู่ที่ลมหายใจที่จมูกเกิดความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นคือความรู้ในทีละนิดทีละนิดรู้ในลมหายใจเรียกวาสติเมื่อสติมีมากขึ้นมันรวมกันเข้ามันก็กลายเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกรุนแรงขึ้นแต่ให้มันไม่เป็นสภากายะปฏิสังเวทีมันไม่รู้ตัวทั่วพร้อมมารู้ส่วนบนที่ใกล้ๆตรงความรู้สึกที่เราเอาไปตั้งพุทธนาไว้ในจมูกก็เลยแน่นที่หัว นั่นก็ขยับลงมาข้างล่างสิคุณนะขยับลงมาข้างล่างมาดูที่ที่สะดือที่มันแหวบขึ้นแหวบลงนี่เพื่อเฉลี่ยความรู้ทางข้างบนให้มันมาปลุก ข, ข้างล่างให้มันรู้ตัวข้างล่างด้วยมันก็จะไม่ได้หนักไม่ได้ปวดถ้าหากลืมตาอยู่ก็เพ่งออกไปหน่อยนั่งไกลออกไปหน่อยขยับออกไปแอ j u s t ปรับปรุงมันมือึงจะเข้าที่แล้วก็การเคลื่อนไหวอย่าให้มันชา้าจนเกินไปนะแต่อย่าให้เร็วนะถ้าช้ามากจะบีบคันประสับ พอสมควรให้เป็นโล o w m o ชั่นมากนะเนี่ยคอยเข้าใจนะแล้วมีอะไรฮนอ๋อต้องดูไปอย่างนี้ยดูไปเรื่อยๆดูให้มันติดต่อลมหายใจนอนตื่นขึ้นเมื่อไหร่ดูมันเมื่อนั้นตื่นติดครั้งก็ดูมันติดครัง้งถ้ามันลืมก็ตั้งไหม่ไว้ที่ลมหายใจเดี๋ยวนี้เราจะเอาลมหายใจเป็นตัวผูกที่พระพุทธเจ้าท่านบอก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 จะเป็นความบริบูรณ์ของสติประธานคือทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมพระพุทธเจ้าท่านตัดเลยในพระไตรปิฎกเล่มที่25นะอสุภสุติวุตกะในกายเล่มที่25ขอ้อที่2 6า2 7 1มีเจ้าจความสันส้นๆวะาเมื่อเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งอาณาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในในธรรมเป็นที่มานอนแหง่งวิตกทั้งหลายในภายนอก อันเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นนั้นย่อมไม่มีภิกษุผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าเป็นของไม่งามในกายมีสติเฉพาะในลมหายใจเข้าออกมีความเพียรทุกเมื่อพิจารณาเห็นซึ่งนิพพานอันเป็นที่ระ ง, งับลงแห่งสังขานทั้งหลายเรากล่าวว่าพิกสุเช่นนั้นแลเป็นผู้เห็นโดยชอบพยายามอยู่ทุกเมื่อย่มน้อมไปในนิพพานเป็นที่ระ ง, งับลงแห่งสังขานทั้งปวงพิษุทนั้นแหลเป็นผู้อยู่จบอับพิญญา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 เมื่อเขาติดบุหรี่มื่อเขาติดมากนะเขาไมไ่ต้องตั้งใจไปสูบตั้งใจไปเคี้ยวตื่นมามันก็หาเองขวกี้ขวเคียงหาผู้เท่าเอาใจ ด, ดักตื่นกันมาตําจุกจุกุกผู้ใ ด, ไ, ดไปบอกขาเจ้าขาเจ้าผูได้ตั้งใจดอกแต่ว่ามันติดนี่ก็เหมือนกันให้สติติดอยู่ทุกลมหายใจเมื่อมันมีสติอยู่ทุกลมหายใจแล้วอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นมันลุ ทีนี่เราก็ยกจิตที่มันมีเป็นอันหนึ่งอันเดียวมาพิจารณาเรียกว่ายกจิตไปพิบัตนาพิจารณาถึงความไม่ต้วยไม่งามในร่างกายอะไรต่างๆคุณไปนั่งยองๆอยู่ในหัวซ่วมคุณถ่ายอาหารเก่าออกมาคุณพิจารณาไปสืเห็นผู้หญิง